ผต้นไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็โดนลงแต่ยังเป็นด อ, อ, อกอย่นันก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่ถูกลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อกยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นด อ, อกดังนั้นเนี่ยมันหักไปลมพัดบางชอ่อจะเป็นลูกโตๆตตแล้ว เือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลมพัดตกไปก็มีบางผลจนจะสุกแล้วมันดูนไปก็มีลมมันพัดคนเราก็เหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปแล้วก็มีออกมาวัน้องวันตายไปก็มี เดือนสอง 3, เดือนสามเดือนตายไปกว่ามีเนี่ยมันเตับโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตายไปกว่ามีอย่างนี้บางคนก็ท่องเสชราแล้วถึงตายไปกว่ามีเมื่มอนนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แ น, น, น่นอนนักบวชเราเหมือนกันอย่างนั้นออ บวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพราขาวนะพาขาววิ่งหนีก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโกนผมแต่หนีแล้วก็มีบางคนก็อยู่พสามเดือนสี่เดือนหนีแต่มีบางคนเลยบวชเป็นเนร มันเป็นพระพรรษาสองพรราเนี่ยสึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาเนี่ยสึกกว่ามีเหมือนกับผลอไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลาไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปโดยมันสุดจิตใจมนุษย์เหล่านี้ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไป ปลูกอารมณ์ชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนต่า ก, กับผลไม้พวกาองค์ต่านก็เหันเหนนเ็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แต่อนึกถึงสภาวะของพระเนินซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกัน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 พระพุทธเจ้าของเราที่จะบดในคราวที่เป็นเทนกกุ ม, มารท่านก็มาจะเรียนอะไรมากมายมท่านจะเห็นตุลโมก<ม>ในสวนอุทยานท่านั้นไ ป, ไปชมสวนอุทยานกับอำมาตย์ทั้งหลาย ขึ้นหลังช่างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะทรงดีปภัยว่ากลับมาึงจะเสวยก็ผ่านใบปบอมัดอยู่ข้างหลังก็ เก็บมาม่วนตีเลยกระบองบางอ้างเลยแส่บ้างใใบมันขาดกิ่งมันหักเพื่อม้วจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านช้อนอาจอุทยานมาขนกุมารเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจาก จะเวยขนตอไม้ทั้งหลายนั่นเดี๋ยวีมรถมันดูว่ามันเรี่ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยกิ่งมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะเอมาดทั้งหลายมันฟาดมันให้มันยับยืนหมดเลยท่านก็ถามว่าต้นมะม่วงต้นนี้ทําไมกิ่งมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมด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 ต้มมันถึงเย็นต้นนั่นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้าไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้อกามีขวางมันใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หัดถ้าเขาเข้าใจตอนนี้อืมพอดีก็เสด็จมาถึงประหลัสวงังพิจารณามามเรามันทุกข์มันยากมันลำบากก็เป็นข้ามหาัะกัด เดี่ยวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดี่ยวเขาจะมาลบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกถ้าเามาคิดเท่านั้นทันมาเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีรูปมีใบสดมีร่มเย็น เรานี่ก็ทำเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายดูจริงมันจะไม่หกักดีลมมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านแต่ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศจจัยตปนมะม่วงเท่านั้นเนี่ยทันไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นนีะยตัดเปรียบเทียบเคียงกับมหาเหล่าพอทันมันนี ผลลำบากหนากไม้ต้นมันก็ลําบากใบมันก็ลาบากกิ่งมันก็ลาบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปเพราะมันมีมีมีมีผลต้นไม้จะไม่มีผลกันสบายดีใบมันจะไมโดนกิ่งมันจะไม่หักลมมันก็เย็นกันนั้นถ้าเราไม่ควอบครันอยู่ในภารวาะนี้แล้วไปจะเป็นผู้ไปคนเดียว ไม่มีความคิดมากมันมีความลำบากมากจิตใจเขาจะสบายท่านออกบวชง่นเรียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านกว่าต้นมะม่วงออกบวดเพ่อะใครเพราะใครเป็นลู้ประชาร์ตนมะม่วงเป็นลูประชาร์นี่ ไปที่นั่นถามหมดใหเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่งวงเป็นอุปชาอาจารย์ของฉันเนี่ยท่านนั้นเนแหละมาได้นะนำควาสอนเลยมากมายหรอกต้นมะม่งวงเป็นเหตุใหท่านมีความคิดน้อมก่อไปเป็นโอปนายกตธรรมว่ท่านจะทำภาลัยน้อย เป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่จะโดดเกิดจากสวยวรกักสมบัติจิตใจจะสบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญมาเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่ต่อบนกานพันนั้นทุกจงทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเรา ถ้าเราทําปัญญาให้เกิดยีดเดียวเท่านั้นนะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้คือเขาเสาวันทุกตะตามในโลกนี้มันมแสดงลักษณะาอาการของวันจางความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเรียนที่ไหน รู้อาที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจจรู้ทําได้เหมือนปัจจังกุ ม, มารเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่นี่เลขาดเลยพารามีปัญญาพระรังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่ยเห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้น มันก็ปรงอนิจจังสุขขังอนัตตาได้เทานั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกทุกต้นเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพัตตีนี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นไปแนวเดียวมันจะเป็นไปในแนวอันเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังสุขขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวตัอย่าง ทุกๆต้นเสมอตลอดต้นไม้มี่เกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางต่างๆต้นคนที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เต็มๆนั้นเราก็น้อามสมาถึงตัวตัดตัวบุคคลเราตัวเรากรมการข้อนนบืนกรมกันมันจะ ม, มีความเกิดขึ้นเป็นต้น ในท่ากลางมันก็แปรไปเกิดขึน้นต้นมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่สแสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นผมเหินต้นไม้ต้นเดียวกัน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 มนุษย์เราทั้งหลายเสมอกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่อยู่ศึกษาอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติปัญป ญ, ญาเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเต็มเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วพอตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ได้ก็แปรไปแปรไปแล้วก็ปเปลี่ยนไป สลายไปถึง ส, สุดก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้แะนันคนคนทุกๆคนในสกลาโรคอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วผมว่นการจะเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นข้งมันอยู่อย่างนั้นนอกกันไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะ ชนิดสิ่เราไม่มองเห็นโดยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดันกงแปรไปเมื่อแปรก็เลยกรสาบสูญไปเท่านั้นเรียกนามมาทาสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นสิ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ร่วงเป็นไปอริยสัจธรรมทั้งนั้น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 นี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ความจริงในโลกอันนี้มีอยู่อืนามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แ น, น่นอนมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธยังก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วกต่ความโกรธจะแปรไป เมื่อแปรไปได้ความสัวต้องขอจะลายไปนเนี่ยอืเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วตวางสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปได้ความสุขก็ทิ้งหายไปหมดเนี่ยแล้วไม่มีอะไรอมนันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาทางรูปอันนี้แต่แต่ทางนามอันนี้ ทางของภายในคือรูปนามันี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวันทุกประการนี้มันจะเป็นธรรมะอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติจะเห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะจะเห็นธรรมชาติอืมถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ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 เพระนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเขาจะเราผันาตายไปแล้วทำนิพพานไปแล้วความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านนิพพานและก็ะทันยังอยู่และก็ะทันยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ะพปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลา คือธรร ม, มะนั่นเองใครทำดีประจงดีอยู่วันอย่า ง, งรธรรมใครทำชั่วมันก็เด่นความชั่วอืเรียกว่าพระธรรมพระธรรมมันเลยจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่นเองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้กินต่อพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมธรรมจึงตรัสว่าพิสูจทั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเรา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 ไม่สื่หายเหมือนกันกับน้าในพื้นแผ่นดินนี้ที่อยู่บุรุษขุดบ่อลงไปใหถึงน้าก็เห็นน้าในเช่กไรบุรุษนั้นไปแต่งน้าไปทำน้ำให้มีขึ้นบุรุษนั้นรงกำลังขุดบ่อเพ่อนั้นใหลึกลงไปใหถึงน้าน้า ม, มันมีอยู่ ในเกบูดูท่านไปแต่งนะอันนี้ก่อสันใดสันนั่นเหมือนกันก่อพุทธเจ้าของเราเหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติบัญญัติธรรมะบัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วต่ณฑ์ิจาณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านแต่เข้อไปรู้ความจริงนั้นนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่แต่นั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าขณะตัดจารุธรรมตัดจารุธรรมพระพุทธเจ้าตัดจารุธรรมคือแต่รุธรรมที่มันมีอยู่ไปรุธรรมไปรุจาระพาวที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่ท่านไปแต่แงตั้งขึ้นมานั้นเป็นก บ, บุรุรษที่ขุดบอกไม่ได้ไปแต่งน้ําไม่ได้ไปทําน้ําให้มันเป็นน้ําเป็นน้ํามันมีอยู่แล้ว เที่ยงเสบ่าลงกําลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปในริกระเห็นน้ำกันนั้นในธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ยไม่ใช่สระพุทธเจ้าทำไปแต่แงตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วกันนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมตาเดียวรว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้านั้นก็คือตัวธรรมที่ไปตัดรู้ธรรมะนั้น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 พระธรรมนี่เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายนี่เป็นผู้รู้เป็นพ ร, ปปนระพุทธเจ้าอใครจะเห็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตากรุณาติทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายตัดทั้งหลายมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อรธรรมะ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 แค่นั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั่นก็ต้องตั้งใจถ้าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนันว่าสึ้นจบลงแล้วในการประพฤติบัติอืเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนหรือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอืม จะนั่นท่านึพ่งเขย่ในที่สงบสังอมสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรื่นกายจิตนี้เป็นหลักไว้ข้อสริงทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นถ้าพระเจ้าจะไหสังวรจะไหสังรวมใ ห, ห้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกรื่นกายจิต ในความดีทางไหนเกิด็นที่นี้ความชั่วทางไหนก็เกิดจนที่นี้ อ, อินทรีย์ทางไหนนี่อยู่ในตัวของเราเต็มใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูจเป็นใหญ่ในการฟังเสีย ง, จงเจหดดมูนั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมรินกอเป็นใหญ่ในการเลี่มรถร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกต่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้นจิตใจนี้ก่จนทเป็นชั้นดาวต่อเป็นธรรมารมถิดขึ้นมาท่านบอกอินทร์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่นี่อยู่แล้วในตัวของเรารอบเพราะนั้นระยะเวลาผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเป็นของง่ายเป็นของไม่ยาก อะไรทุกอย่างเขาพระพุทธเจ้าท่านบอกหรือมดทุกอย่างคล้ายๆเราท่านสร้างสวนผลไม้หนสวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างเนีท่านมาเชิญพราะเราตั้งแต่เนี่ยไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีพ่อพระพุทธปฏิบัติทุก ป, ประการนั้นท่านแนะนาท่านสอ น, นมดทุกอย่างไม่ใช่หรือมันไม่มี น่าจะไตั้งไปแต่งเอาไปสร้างเอาไปบรรยัญญตเอาไปคิดเอาต่อมาทำตามนั่นสิ่งที่มันมีอยู่นี่ที่เราไปเกิดสอนสังสงส่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอยางนั้นพวกเรามราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคอื ม, มาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลธรรมไงก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้งนั้นพอโมดบีบุญสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็แข็ง น, นั่นเหมือนกันเพราะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทิพตตีทูตตีควรดีมิควรดีท่านสอนมดตุกปิ่งซุกตาเนี่ยยัเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปปฏิสัปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเราเนี่มีโชคหลายมีบุญมาก ม, มองไปถึงจับแล้วจับทั้งหลายมันจะเป็นเป็นจับที่มีอาภัพมากเช่นวัวควายหมูหมาจับต่างๆนั้นเป็นจับอาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ทำรรไม่มีโอกาสที่จะเรียนทำรร ม, มีโอกาสที่จะปฏิบัติรม เมื่อเรามีโอกาสที่จะเรียนธรรมจะรู้ธรรมจะปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะปวนทุกข์นี่นี่นี่เรียกว่าจักเป็นจักที่อาพักสักที่แตวยกรรมเป็นอยู่เป็นต้นอืมมนุษย์เจ้ทั้งหลายนี้ไม่ควรทําตัวเราเป็นมนุษย์ที่อาพัก คือไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัฒคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลมิธานคนมีความหมดหวังจากคุณงหความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนจักทั้บบทงหลายเหมือนจักระป็นฉนท์ทั้งหลายเป็นจักมีอาภัพคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมฉะนั้นมนุษย์เนี้จึงเป็นผู้มีบุญบาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหาว่าบุคคลดาทางด่านนี้มาปรับจุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะไดประพฤติปฏิบัติให้รู้ทาให้เห็นทาในสนําเนตที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้แต่นั้นมันจึงต่างจากตับ เป็นพระพุทธสัจมาจายาพระพุทสัจเป็นสัจจีความกับพุทธธรรมอันนี้พรบพุทธเจ้าจริงแนะนํานสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะจะมีอยู่นี้ต่อหน้าของพวกท่านทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้กะนั่งอยู่เฉพาะหน้าของท่านทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไหร่ริงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั่นเป็นผู้ที่สมควรเนม่ยจะทำดีเียก็ดีดีเน่ยจะทำชั่วก็ได้ชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ฉะนั้นเพียงเ่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เหนือสัตว์ทั้งหลายทางงัวงซึ่จงจินสัตย์สิริฉานทางนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไ ม, ไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะตัดลงไปจึงนสัตยิริฉานเป็นสัต์นรกเป็นเปรตเป็นธุรตายเป็นยักษ เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโลภเกิดขึ้นได้มันเป็นยังไรภาวะทางหลายเ่านี้แต่มันเป็นพบเป็นพบเลยมันก็เป็นชาต